ญาติโยมมากป็นมากพอก็ดีใจด้วยกับพวกเรานะสนใจศึกษาธรรมะมาถึงวันนี้ธรรมะไม่ใช่เรื่องของคนแก่ๆหรือคนหกหักคนไปไหนไม่รอดนะพวกเราคนรุ่งหลังๆสติปัญญาทางโลกเยอะถ้าเราศึกษาธรรมะได้เราก็จะสามารถมีชีวิตอยู่บโลกอย่างมีความสุขมากกว่าคนที่ไม่มีธรรมะ ก่อนภาพของธรรมะมันถูกหลอกให้ดูเครื่องซึง้ไอไปเข้าวัดต้องแก่แกงงอมงอมนะใส่ ไ, ไหนไม่รอดนะเข้าวัดอะไรไม่ดีไม่ ด, มดีก็ไปวัดไปก่อนนี้หมาแมวมาไปวัดอะไรอะไรก็ไปทิ้งที่วัดไม่ต้องการมาถึงวันนี้ภาพพจของวัดมันเปลี่ยนไปแลบางวัดอาจจะยังเก่าก็ได้นะแต่เขาไม่ได้ไปดูเขาหรออย่างที่นี่ คนที่มาที่นี่เป็นคนอีกรุ่นหนึ่งนะคนอีกรุ่นหนึ่งที่เก่าๆแบบชาวเชียงใหม่อย่างนี้เพื่อนน้อยอย่างนี้เรียกว่าเก่าแต่กายนะแต่จิตใจยังหนุ่มยังสาวอยู่ธรรมะเนี่ยเหมาคนที่แข็งแรงนะยังหนุ่มยังสาวเนี่ยศึกษาธรรมะได้ดีที่สุดเลยมันต้องใช้กําลังกายกําลังใจในการเรียนรู้ตัวเองมาก ถ้าเราจะรองอมๆก่อนแล้วมาฝึกฝึกยากจิยากแต่นั่งจะยืนจะเดินมันไม่ค่อยอจะกระตือกระเพื่อจิตใจมันก็ไปซึมๆไมฝึกไว้ตั้งแต่ยุ่น้อยๆดีแล้วละ่ะหลวงพอก็ดีใจด้วยนะแต่มามากๆหลวงพอก็มีปัญหาหลวงพ่อไม่สามารถดูแลทุกคนได้ทั่วถึงไม่เหมือนเมื่อก่อนใครมาก่อนๆวันหนึ่งมีไม่กี่คนยี่สิบคนสามสิบคนเลย หลวงพ่อพาปฏิบัติพาดูสภาวะได้ทีละคนทีละคนถึงวันนี้แค่พูดคนละนาทีสองนาทีนะก็ไม่ไหวแล้วบทไปครึ่งวันสิ่งที่จะช่วยพวกเราได้มากก็คือต้องนทนนิดนึงเมื่อหลวงพ่อไม่มีเวลาไล่จี้ให้ทีละคนทีละคนคนฟังนิดนึงไม่จําเป็นเมื่อหลวงพ่อต้องไล่จี้ถึงจะเกิดสตินะไม่จําเป็นหลายคนเลยที่ฟังซีดีหลวงพ่อจนตื่นมาเลยก็มี หรือฟังมาจนเกือบเกือบจะตื่นก็จะกินนิดเดียวก็รู้สึกตัวขึ้นมาพอสติตัวจริงเกิดแล้วเนี่ยมันเกิดเองไม่ใช่มีใครสั่งให้เกิดได้เพราะสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้สติจะเกิดขึ้นมาเองเพราะอะไรเพราะจิตมันจําสภาวะรมได้หน้าที่เขาเราหัดรู้สภาวะมากๆกหรู้ไปจิตใจเราเป็นสุขเราคอยรู้จิตใจเป็นฟุ้งคอยรู้จิตใจสงบจิตใจคลุ้งต้านคอยรู้ไปบ่อยๆ รู้ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งสติเกิดเองเมื่อสติเกิดเองแล้วเนี่ยคุณจะทำฝ่ายดีจะตามมาเป็นแถวเลยไม่ต้องเชื้อเชวนไม่ต้องอ้อนวอนนะเกิดขึ้นเองอัตโนมัติเลยสอ mm hmm. งอาทิตย์ก่อนหลวงพ่อไปเยี่ยมหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อคำเขียนท่านซ่าดีนะถ่ายรูปติดหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนท่านก็พูดเรื่องว่าเออท่านสอนแต่เรื่องเจริญสติคนก็ว่าท่านว่าทำไมไม่สอนเรื่องศีลเรื่องอะไรนี้ด้วย เขาบอกว่าถ้าเมื่อไรไมันมีสติศีลสมาธิปัญญาอตามเมื่อไหรมีสตินะอกุศลก็ถูกละเมืม่อ ไ, ไรมีสติอกุศลก็เจริญเมื่อไรมีสติจิตใจก็เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้สตินี่เป็นเรื่องสําคัญมากอาริยมรรคมีองค์แปดในภาคปริยัตินะเราต้องเรียนสมาธิฏฐิก่อนอย่างที่มานั่งฟังขลงพ่อพูดขนาดนี้ก็คือการเรียนสมาธิฏฐิ เรียนให้รู้วิธีปฏิบัติพอรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็มาเจริญมรรคในขั้นของการปฏิบัติเรียกว่าบุปภาคมมรเจริญมรรคเนี่ยด้วยการเจริญสัมมาสติมีสติรู้กายมีสติรู้ใจเพียงมากๆในที่สุดปัญญามันเกิด น, นะมันเห็นความจริงกายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกทุกวันนี้ที่เราต้องยิ่งรนตลอดเวลานะตั้งแต่เกิดจนตายแต่ละคนแต่ละคน เ, นเหนื่อยมาก เพราะว่าจริงๆเราอยากให้ตัวเรามีความสุขอยากให้ตัวเราพ้นจากความทุกข์ความอยากที่สักดันให้เราต้องดิ้นรนทําอะไรต่ออะไรมากมายเด็กๆก็ดิ้นรนไปเรียนหนังสือนะโตขึ้นก็ดิ้นรนทํามาหากินหนุ่มๆสาวๆดิ้นรนหาคู่คลองมีลูกแล้วก็ดิ้นรนแบบนักฟุตบอล น, นะรับลูกส่งลูกเหมือนนักฟุตบอล น, นะอวิ่งไปวิ่งมาเข้าโรงเรียนโน่นกลับมาบ้าน เรียกว่าแบบนักบอล น, นะมีรับลูกมีส่งลูกมีเลี้ยงลูกมี่เหน็ดเหนื่อยถ้าเป็นแทบตายหวังว่าชีวิตมันจะมีความสุขเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราปรารถนาอะไรในชีวิตที่แท้จริงเนี่ยเราปรารถนาจะให้กายนี้ใจนี้มีความสุขแล้วก็ดิ้นไปเรื่อยๆการที่เราดิ้นรนหาความสุขมันทําให้เราเหน็ดเหนื่อยเกินความจริงเยอะเลยเพราะเราไม่เข้าใจว่าความสุขอยู่ที่ไหน เราเข้าใจว่าความสุขอยู่ที่มีเงินเยอะๆมีชื่อเสียงมากๆมีคนนับหน้าถึงตาหรือมีอำนาจมากๆเราไปเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวความสุขที่จริงเราต้องการความสุขเราไ ม, ไม่เคยเรียนรู้นะว่าความสุขจริงๆอยู่ที่ไหนถ้าเ ม, มื่อไหร่ไม่ทุกข์เมื่อนั้นก็เจอสุขแลละความทุกข์อยู่ที่กายความทุกข์อยู่ที่ใจให้มารู้ที่กายรู้ที่ใจมากๆกายนี้ใจนี้แหละคือตัวความสุข ใจนี้ใจนี้แหละเป็นที่ตั้งของความทุกข์ความทุกข์ไม่ตั้งอยู่ที่อื่นความทุกข์ไม่ตั้งอยู่ที่กายก็ตั้งอยู่ที่ใจถ้าเมื่อไหร่เราภาวนาตามรู้กายตามรู้ใจจนเราปล่อยวางกายปล่อยวางใจได้ก็เท่ากับเราปล่อยวางตัวทุกข์ทิ้งไปแล้วปล่อยวางตัวที่เป็นที่ตั้งของความทุกข์ทิ้งไปแล้วความทุกข์ไม่มีนะความทุกข์จะไม่มีงั้นให้หมาัาคอยรู้กายรู้ใจมากๆนี่คือทางรอดของพวกเรา พวกเราตั้งแต่เด็กมาเราถูกหลอกนะหลอกให้เรียนรู้ออกไปไปนอกตลอดเวลาเราเรียนรู้อะไรเรียนรู้ที่จะเอามานะอยากได้อะไรดีๆอยากได้ความสุขถาวรอนอยากได้ความสงบถาวรอนอยากได้ความดีถาวราทั้งๆที่ในความจริงของโลกธรรมะสาวรอไม่มีหรอกสุขก็ชั่วคราวสุกขก็ชั่วคราวถ้าจะเอาสุขสาวรอนก็ต้องดิ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะหาสุขถาวอซึ่งไม่มี ดิ้นตั้งแต่เด็กๆนะจนแก่เลยเด็กๆก็คิดว่าถ้าเรียนจบแล้วจะสุขมีท่ามีธรรมธาตุพอเรียนจบแล้วถ้าได้งานดีๆจะมีความสุขมีงานแล้วถ้าได้เงินเยอะๆจะมีความสุขถ้ามีรูปมีเมียดีๆจะมีความสุขพอแก่ๆนะถ้าสุขภาพดีจะมีความสุขพอเจ็บหนักใกล้ตายก็คิดอีกนะมีชีวิตอยู่นี้ทรมานถ้าตายช่วย้ด้จะมีความสุขความสุขอยู่ในอนาคตตลอดหนึ่งไม่เคยไปคว้ามาได้เลย แต่ถ้าเรามีสติรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจเราทิ้งตัวทุกไปได้นะมันมีความตุงอัตโนมัตินะงัะการรู้กายรู้ใจเป็นเรื่องสําคัญรู้ยังไง ร, รู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่เข้าไปดัดแปลงรู้ลงไปกายนี้มันเป็นตัวเราไหมมันเที่ยงไหย ม, มันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ดูของจริงนะดูลงไปอย่าใจลอยเราใจลอยไปเรื่อย เ, เราก็รู้กายรู้ใจเองไม่ได้วันวันหึเราเวลาทั้งหมดเจาไปใจลอย ตั้งแตตื่นมาก็ใจลอยไปเรื่อยนะคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเรื่อยเราลืมตัวเองตลอดเลยเราให้ความสนใจกับสิ่งภายนอกโดยลืมตัวเองตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาเวลาเราลืมตาดูโลกใช่ไหมเ้าก็ดูคนอื่นดูสิ่งอื่นดูพ่อดูแม่ดูอะไรโตพอเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดูหนุ่มดูสาวไปอีกเราดูออกนอกตลอดเลยเราไม่เคยย้อนมาดูตัวเอง เราไม่รู money, ้เลยความทุกข so ์ม no ันตั้งอยู่ที่กายที่ใจให้เรียนรู้เข้ามาที่กายที่ใจนะดูลงไปกายของจริงนี้ไม่เที่ยงกายของจริงเป็นทุกข์กายของจริงไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นต้นธาตมาดูให้เห็นอย่างนี้จิตใจก็เป็นของไม่เที่ยงจิตใจก็เป็นทุกข์จิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราเราบังคับไม่ได้จิตใจมันทํางานของมันเองทั้งวันทั้งคืนห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้มันจะปรุงดีบ้างปรุงร้ายบ้างตรุงสุขบ้างปรุงทุกข์บ้างเลือกก็ไม่ได้นะ ถ้าเรียนจริงก็ถ้าเห็นว่าจริงๆแล้วทาอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวมันไม่ใช่ตัวเราเหรอกเราบังคับมันไม่ได้ถ้าใจยอมรับอันนี้เรียกว่าใจยอมรับธรรมะจิตใจเราจะได้ดวงตาเห็นธรรมคือเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเหรอกดวงตาเห็นธรรมเห็นตรงตรงนี้นะกใจนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่นี้ใจนี้เป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบังคับไม่ได้กายนี้ใจนี้เมื่เกิดขึ้นมาก็ดับไปจะเห็นอยู่อย่างนี้เอง ใครได้เห็นตรงนี้ก็ได้เห็นความจริงของชีวิตทั้งกายตั้งใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานี่คือความจริงของชีวิตนี่คือสัจธรรมหลายคนอยากได้ธรรมะอยากมีดวงตาเห็นธรรมต่เกียดสกายแทบตายไปลําบากแคบตายมันไปเรียนผิดที่นะ้ําไปเรียนอะไรไปเรียนบงังคับตัวเองพวกเข้าวัดทั้งหลายก็ชอบบงังคับตัวเองบังคับากายบังคับใจมันไม่ใช่การรู้กาย ร, รู้ใจตามความเป็นจริงจะมันเป็นการบังคับกายบังคับใจใช้ไม่ได้ มันทําให้เราเหน็ดเหนื่อยทําให้เราลําบากมากมายหลายคนลําบากมากนะในการปฏิบัตภบิภาวนาลําบากทรมานต่า ง, งตายบางคนภาวนาจนพิการก็มีนะผมพ่อเคยเจอเพ่งมากๆนะเพ่งไปเพ่งจนต้นคอหลังหงรืออะรนี้เรี่ยงไปหมดเลยเดินต้องเดินอย่างนี้นะเดินนี้นะตาควางๆหน่อยหรือบางคนบังคับจิตบังคับมันเครียดนะประสาทเสียส ต, ติแตก อยู่กับโลกก็ไม่ได้เลยเราไม่ได้เรียนกรรมฐานเพื่อจะให้เพี้ยนออกไปจากโลกเราเรียนกรรมฐานเพื่อจะรู้โลกอย่างเข้าใจมันแล้วเราก็จะอยู่กับโลกนี้ได้ด้วยความเข้าใจมันถ้าเราอยู่แบบไม่เข้าใจแบบรู้ไม่ทันแล้โลกมันจะกัดเอามันทำร้ายเราได้แต่ถ้ารู้อย่างรู้ทันมันอยู่กับมันอย่างรู้ทันมันนะก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรเราสามารถอยู่กับโลกได้อย่างมีความสุขไม่ใช่ว่าทุกคนที่เข้าวัดปฏิบัติ สุดท้ายจะต้องหนีเข้าวัดมาบวชอย่างหลวงพ่อวิช่นะหลวงพ่อก็ไม่ใช่หนีโลกมาบวชนะหลวงพ่ออยู่กับโลกหลวงพ่อไม่ได้เป็นรองใครในโลกแต่ว่าเราเห็นว่าสิ่งบางสิ่งมันมีสาระมากกวา่าความสุขในโลกมันจะมีสักแค่ไหนกันเราลองนึกดูนะหลวงปู่เทศยสเคยสอนหลวงพ่อบอกว่าลองนึกดูสิตรงไหนในชีวิตเราที่เรารู้สึกว่ามีความสุขมากที่สุดลองนึกทบทวนดูตรงจุดที่เรารู้สึกมีความสุขมากที่สุด ดูลงไปซิมันสุกจริงเนี่ยสุกแค่ไหนสุกนิดเดียวเองรู้เลยโลกที่ไร้สาระจริงๆเลยความสุขอย่างนี้นเนี่ยถ้าใจเราเข้าใจอย่างนี้นะเรามาบวชมีความสุขมากนะไม่ใช่มาบวชเพราะเหมือนหมาจดนจอกนะแต่มาบวช ด, ด้วยความสุขวันที่บวชเนี่ยนะออกจากบวชมาลงพ่อรูปผ้าเหลืองเลยโอ้มีความสุขจังเลยมีความสุขมากมันเหมือนปลาที่เคยอยู่ในที่แคบๆอยู่ในตู้กระจกเลย แล้วมันหลุดออกแมแม่น้ําออกทะเลได้นะมันมีความร่าเริงใจอแล้วพวกเราไม่ต้องไปกลัวนะว่าอยู่กับโลกไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้แต่วันหนึ่งใจของเราอาจจะเบื่อโลกเห็นว่าไร้สาระเราจะออกนอกโลกเลยนะข้าพบพข้ามชาติกันจริงจังแล้วก็แดงมีถังเลือกนะเลือกได้อย่างเบื้องต้นพวกเราได้โสดาสกิทาคาร์นี่อยู่กับโลกได้สบายมีลูกมีเมียได้ไม่ใช่ว่าจะหมดสมัครภูมินะไม่เป็นนะอืม แต่ว่าพอเป็นผ้านาคาก็ไม่ใช่ผ้านาคามีหมดสมรติภาพนะอย่าเข้าใจผิดเพียงแต่ไม่สนใจรู้ว่าในโลกนี้มีสิ่งที่มีความสุขมากกว่านั้นอีกไม่ใช่ว่าพวกไม่มีฝีไม้ไลายมือความจริงจะเข้าใจโลกรู้โลกมีความสุขมากในการที่จะรู้ถันโลกจิตใจปล่อยวางจิตใจมีแต่ความสุขล้วนๆ น, นะจะหลับจะตื่นรลางวันก็นคือมีแต่ความสุขล้วนๆเลย นั้นธรรมะนี่ของสาคัญพวกเราพยายามเรียนให้ได้ฟังหลวงพ่อครั้งหนึ่งไม่เข้าใจฟังสองครั้งสามครั้ ง, งหัดสังเกสตสภาวะในจิตในใจไปเมื่อวานหลวงพ่อไปเยี่ยมลูกติดเจาเก่านะเป็นเด็กที่เคยสอนทางอินเทอร์เนต็ตมาบวชหลายปีไม่เคยไปเยี่ยมเองไปเยี่ยมดูปรากฏว่าเด็กพวกนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมาก มีความรู้ตื่นเบิกบานเต็มเลยนะมานั่งต่อหน้าหลวงข้อในห้องนี้ตั้งหลายสิบคนพวกนนี้ฟังทำค่อยๆฟังเหมือนโอ่งเนี้ยฟังไปโอ่งดูไปฟังไปดูไปแล้วนจะิตใจเราเปลี่ยนนะโอ่งรู้สึกไหมเราไม่ใช่อโองเดิมลนะเราเป็นนิวโง่งเราเป็นโองใบใหม่จูกว่าเก่าจูอะไรจูความตุกมีความตุกมากนะ เงั้นเรียนธรรมะนะอดทนหลวพ่อไม่เก็บค่าเรียนหนังสือก็แจกให้ฟรีนะเอาไปอ่านซีดีก็แจกครีอเอาไปฟังใครมีโอกาสมานั่งตรงนี้มาฟังฟังไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งสติจะเกิดสติไม่ใช่สิ่งที่สั่งให้เกิดได้เมื่อไหร่จิตรู้จักสภาวะนั้นสติจะเกิดงั้นถ้าพูดง่ายๆมาเรียนที่หลงพ่อไม่ใช่เรียนให้รอบรู้ธรรมะนะ ธรรมะไม่มีใครรอบรู้ด้วยการเรียนหรอกธรรมะรอบรู้ขึ้นมาได้ด้วยการเห็นของจริงเป็นสภาวะจริงๆต้องมีสภาวะธรรมรองรับฉะนั้นมาเรียนที่หลวงพ่อมาหัดรู้สภาวะ น, ะนี่สภาวะที่ชอบให้แนะนำให้ดูนะคือใจที่ลอยไแปบบใจที่เผลอไปคิดทำไมหลวงพ่อเน้นที่ใจที่เผลอไปคิดเพราะใจที่หลงไปคิดนี่เป็นสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุด ในปจัจจ ա สภาวะธรรมทั้งหลายนี่มีกุศนแย่กุสนอักกุศลเกิดมากนะกุศนเกิดน้อยแต่ละวันแต่ละวันอักกุศลจะเยอะแยะจะหมดเลยนานๆากูรุสลจะเกิดทีอกูรุสนเนี่ยเพราะงั้นเราเรียนอกุสนที่เยอะหน่อยเพราะมันเป็นของมีมากในอกูรุสนทั้งหลายก็มีความโลภความโกรธความหลงความหลงหรือโมหันนี่มีมากที่สุดเป็นกิเลสที่เกิดบ่อยที่สุดความโลภความโกรธเนี่ยเกิดเดี่ยวๆไม่ได้ต้องเกิดร่วมกับโมหันเสมอ เราจะต้องเรียนเรื่องโมหะให้มากหน่ะโมหะนี่มีอะไรม้างมันหลงนั่นี่มันหลงไปนะมันหลงไปทางตามันหลงไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหลงทางใจมีมากที่สุดนะหลงทางตาไปดูอะไรแวบๆเดี๋ยวก็แอบไปคิดละเดี๋ยวก็หลงไปคิดหลงทางหูไปฟังอะไรไปเดี๋ยวประดา๋ยวนะก็หลงไปคิดละมันจะต่อด้วยการหลงไปคิดคือหลงทางใจนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักสภาวะของการหลงไปคิดหรือหลงทางใจอันนี้ก็ เราจะภานาได้ทั้งวันเพราะสภาวะหลงทางใจนี้เกิดทั้งวันครูบาอจารย์หลายองค์จงเน้นให้รู้ทันจิตที่แอบไปคิดหลวงพ่เทียนสอนเลยถ้ารู้ทันว่าจิตคิดเนี่ยจะได้ต้นทางของการปฏิบัติหลวงปู ด, ดูลยก็สอนนะคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ให้รู้ทันตรงที่ใจหลวไปคิดหลวงพ่อคาเทียนก็สอนเรื่องหลักคิดรักคิดคือใจมันแอบไปคิดมันขโมยคิดแอบย่องย่องย่อ ง, องหนีเราไปนะหนีไปคิด แต่ถ้าใจ ร, รู้ทันจิตที่แอบไปคิดเนี่ยการปฏิบัติจะง่ายง่ายนิดเดียวเลยเพราทั้งวันจะเหลือสภาวะสองอย่างนะจิตที่หลงไปคิดกับจิตที่รู้สึกตัวทั้งวันมีสภาวะแค่นี้หลงไปคิดแล้วก็รู้สึกหลงไปคิดแล้วก็รู้สึกในที่สุดเราปัญญามันจะเกิดไม่ใช่ฝึกเพื่อไม่ให้หลงนะพวกเราอย่าเข้าใจผิดว่าหลวงพ่อสั่งว่าต้องให้มีสติตลอดเวลานะไม่ได้สอนอย่างนั้นนะสติเป็นอนาาัตตาสั่งให้เกิดตลอดเวลาไม่ได้ รู้บ้างเสรอบ้างรู้บ้างเสลอบ้างแค่นี้พอแล้วแล้วสติก็เป็นธรรมะที่เราอาศัยเหมือนเรือวันหนึ่งเราก็ทิ้งเรือนี้นะไม่ได้แบกเรือขึ้นบกไปด้วยสติเป็นธรรมะที่แสนดีแสนยิ่เสรก็เป็นแค่เครื่องอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองคนในโลกนี้มันหลงตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นไม่เคยรู้ว่าตัวเองหลงแต่ถ้าฟังธรรมจนสติเกิดขึ้นมาแวบขึ้นมาจะรู้เลยว่าตะกี้หลงถ้าสติแวบแรกๆเกิดนีจะรู้เลยว่าตลอดชีวิต หลงหลงมาตลอดชีวิตเลยเพราะฉะนั้นพอสติเกิดปุ๊บรู้ว่าหลงลถ้าสติเกิดอีกรู้ว่าหลงในที่สุดปัญญามไม่แจ้งขึ้นมานะจิตจะหลงห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้สั่งให้สติเกิดก็ไม่ได้เมื่อสติเกิดรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วรักษาความรู้สึกตัวไว้ก็ไม่ได้รู้สึกตัวได้แว บ, บเดียวก็จะหลงใหม่มองด้วยออกไหมเดี๋ยวทั้งวันมีแค่นี้เองมีแต่หลงแล้วก็รู้หล ง, ลงแล้วก็รู้ ในที่สุดปัญญามันแจ้งนะทั้งหลงทั้งรู้เนี่ยไม่ได้เอาให้เอานะแต่เรามีรู้ขึ้นมาเพื่อจะได้รู้ว่าหลงก็ไม่เที่ยงรู้ก็ไม่เที่ยงแล้วไม่เอาทั้งคู่ไม่ใช่เอาดีนะไม่ใช่เอาดีเกลียดความเมวเกลียดหับดุสนไม่ใช่ไม่เอาทั้งคู่นะั่นแหละสุดท้ายถ้าเอาดีก็ยังทุกแบบคนดีก็บรักดีหามจัวหนักนะจัวใครมาแบกจัว่ววัดหลวงพ่อได้ก็นับถือเลยไม่ใช่ช้างหนี่เนาะ รู้สึกไหมพอหลวงพ่อพูดให้ตลกตลบใจเราขำขรู้สึกไหมพอใจเราขำใจเราผ่อนคลายรู้สึกไหมตอนนี้ใจเริ่มนิ่งอีกเลยรู้สึกไหมใจเริ่มนิ่งทำไมเกิดหลวงพอ่อหยุดพูดสังเกตไหมแอบไปคิดกันวัเนียรู้สึกไหมหัดรู้สภาวะนะหัดรู้ไปอย่างนีง้มานั่งต่อหน้าหลวงพ่อไม่ใช่มาฟังธรรมะให้รู้เรื่องใช้โอกาสนี้แหละมาหัดรู้สภาวะไป หลวงพ่อพูดเป็นเพื่อนเราให้เราหัดสังเกตสภาวะเกานั้นเองส่วนจะฟังธรรมะให้รู้เรื่องจะอ่านให้รู้เรื่องเดี๋ยวเอาไปทําที่บ้านนะมีหนังสือให้มีซีดีให้ขนาดที่เรามานั่งอยู่ด้วยกันขนาดเนี้ยหัดรู้สภาวะของเราเองไปคุณผู้หญิงนั้นแะกําลังสนใจหลวงพ่อมากเลยรู้สึกไหมอันนี้ยลืมตัวเอ ง, อเองออเรู้สึกไหมลืมตัวเองเราจะลืมกายลืมใจหนุ่มเสื้อเขียวว่ารู้สึกไหมเหลือไปแล้ว ใจมันลอยไปที่อื่นลอยไปไหนลอยไปคิดคนนี้ถ้าจะเข้าวัดบ่อยมากติดบังคับติดการบังคับนะให้รู้ทันว่าบังคับการบังคับทําให้เราได้เป็นคนดีทําให้จิตของเราสงบจิตของเราดีมีความสุขนะเราก็จะได้สมะที่ดีแต่ไม่พทุกพลนนะดีแล้วก็จะทุกข์แบบคนดีแต่ถ้าเราเห็นเลยทั้งชั่วและดีเสมอภาคกัน ผู้สนะผู้สเสมอภาคสุขทุกข์เสมอภาคใจอย่าวางนะวางทั้งสองนั่นแต่ถ้ายังเห็นว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราก็จะเลือกเอาดีถ้าเห็นว่าเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เราจะเลือกเอาสุขเราก็จะเลือกข้างหนึ่งเกลียดข้างหนึ่งใจไม่เป็นกลางต่อธรรมะชอบอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งชอบอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งใจก็จะดิ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไร่ใจเป็นกลางต่อธรรมะทั้งตวงชั่วกับดีสุขทุกข์อยากกละเอียดภายในภายนอกที่ใกล้ที่ไกล ดีปัจจุบันนะครที่ใจเป็นกลางหมดใจจะไม่ดิน้นใจที่เลิกดินนในใกนน้นรนนี้ใกล้ต่อมรกผลนิพานรุณิพานเป็นสภาวะที่ใจมันไม่ดิ้นรนไม่หิวโหยไม่หิวเรียกว่าวิราคะไม่ดิ้นรนเรียกว่าวิสังขารนชื่อของนิพานนะวิราคะวิสังขารสังเกตใจไปเรื่อยๆนะจิต ใ, ใจเราหลุ่มเสื้อเกียวว่าใจลอยไปแวบหนึ่งทราบไหมดูไปอย่างนี้นะ หลพดูให้ได้ไม่ดทั่วแล้วนะเขาเลี้เกินเลี้ยเกนไปต่อไปจะต้องให้บัดริวแล้วมั้งรับวันละสามสิบคนเยอะนักก็ไม่รู้จะทำยังไงโอ้ใจร้อยไปแล้วเอาเบอร์สิบเก้าตรงกันบ้านเสียงดังๆอมื่อัวนายิ้มหัหวก็นก็เหมือนกันแหละ นา <No. S 2> ะเหมือนกันอลอะอาทิตย์ไหนมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างไม่เฉพาะอาทิตย์นะแต่ละวันก็เหมือนกันบางเวลาก็ดีบางเวลาก็ไม่ดีน้กสติปัญญายเราเละเอียดขึ้นแต่ละขณะไม่เหมือนกันขณะนี้ดีขณนะ น, นี้ไม่ดีแล้วทั้งหมดสแสดงไตรักเข้าเกี่ยวเลยก็ยีเียงคือเอ่อี่นะคือมาบอกว่าือะแ รู้ตั้ไม่ได้เกิาืขึ้นมาก็สุขแล้วเนี่ยมันต้องรู้ตามหลังเนี่ยมันรู้ตามหลังเกิดเออตเินไปไม่ดีหน้าอย่างนี้ว่าหลงเ่อย่างเมื่อวานโรธตนนี้รู้ใช้ไม่ได้มองรใช้คนืนมก็ว่ามอนเราคิดไปแล้ววก็เพ่าคิดว่ราคิดผิดกุแล้วเนี่ยขณะที่หลงอะมันจะรู้ได้ยังไงรู้กับหลงไม่เกิดพร้อมกันนะ ที่บรรณาธิ์คนไหนสอนอะไรเรียกมาเรียนใหม่ก็เหมนตอนที่พอพิเกตบกว่าต้องไปดูลงประจุปัจจุบันมีสองอันนะในปัจจุบันจริงๆเลยอันนี้เอาไว้ดูกายอีกปัจจุบันหนึ่งเรียกว่าปัจจุบันสันสติเวลาดูจิตเนี่ยจะเป็นปัจจุบันสันสติหมายถึงมันเนื่องกับปัจจุบันมันต่อกับปัจจุบันการดูจิตเนี่ยดูลงปัจจุบันไม่ได้ พราะจิตมีหน้าที่รู้อารมณ์ได้ครั้งได้อย่างเดียวในขณะจิตหนึ่งจิตไปรู้เรื่องที่คิดในขณะนั้นจิตจะรู้จิตไม่ได้เพราะจิตรู้เรื่องที่คิดเสร็จแล้วแต่ขณะที่จิตนี้ไปคิดนั้เกิดจิตอิงดวงหนึ่งขึ้นมารู้ว่าจิตแต่งี้หนีไปคิดอย่างนี้เรียกว่าปัจจุบันสันสติคําว่าปัจจุบันของรูปกับนามไม่เหมือนกันเพราะฉะั้นการดูนามธรรมดูจิติูใจจะดูตามหลังตลอด พระพุทธเจ้าถึงใช้ว่าตามรู้ตามเห็นคำว่าจิตตานุปัสสนาแปลว่าการตามเห็นจิตตามไปนะแต่ตามไชั้นกับชั้น้อจิตเลยที่บางทีเราไม่ได้ดูว่ามแต่มคิดว่าคิดะทไมมันคิดมากแล้วล่ะมันจะคิดไปเรยมนจะคิด้วรู้ได้ไงว่าไม่ติดคิดนะ น, น, น, นั่นเราเห็นลักษณะใช่ไหมันมีลักษณะในความคิดการที่เราเห็นลักษณะได้นะเรียกว่ามีสติใช่ไหมแต่ว่าพอเรารู้ลักษณะว่าเมื่อกี้คิดปุด๊บตอนนี้เราคิดต่อขณะจิตที่รู้อันหนึ่งนะขณะจิตที่คิดอีกอันนึ่งพอรู้เสร็จแล้วเราจะคิดต่อตรงนั้นหลงไปคิดทั้งใหม่รูอ้อย่าอยาแต่เพราะว่ คอเียดมีคนนี้คนละน้ำข้างหนที่เป็นรืปแบบอะไรบางทีอของคุณนะเปพวกคิดมากคิดมากยากนานหนยนะเพราะฉะนั้นบริกรรมไว้ก็ได้พุทโธพุทโธก็ได้หรือจะเดินจงกรมก็ได้นะเดินไปแล้วก็คอยดูใจยังนุมน่มๆอย่างเงี้ยเดินออกไปได้ถ้าแก่ๆเดินไม่ไหวแล้วก็ค่อยบริกรรมก็ได้หรือบางคนถนัดบริกรรมก็เอาไปเลือกดู กรรมฐานอะไรที่ทําแล้วสบายอันนั้นแหละดีไปสังเกตเอานะหลวงพ่อสังเกตแทนไม่ไหวหรือเยอะอีกคือคือเราจะต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่อันหนึ่งขึ้นมาวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่ใช่เป็นฟุตนะเครื่องอยู่คือบ้านเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยเราจะออกจากบ้านเมื่อไร่ก็ได้แต่เราต้องมีเครื่องอยู่อันหนึ่งเช่นเรามีพุทโธหรือมีลมหายใจหรือมีท้องฟองยุบเป็นเครื่องอยู่ แต่ว่าเวลามีอะไรมากระทบจิตเราเดยวิ่งออกทางตาหูจมูกริมแก่ใจเราไม่ห้ามมันมีธุระจะต้องออกไปเราก็ให้มันหลบไปก็ออกไปกระทบอารมณ์แนละ้วมันสุขบ้างทุกบ้า ง, างดีบ้างร้ายบ้างคอยมีสติตามรู้เอา <Evet. S 1> อย่าบังคับให้นิ่งนะอยู่ในจุดเดียวนิ่งๆไม่มีปัญญาอะไรไปดูท้องว่าเพ่งท้องนิ่งๆในสามวันสามคืนจะได้อะไรซึ่งมันก็ได้เพ่งได้ความสงบเฉยๆปัญญามันไม่เกิด ถ้าอยากให้เกิดสัญญานะก็ให้กายนี้เคลื่อนไหวไปตามธรรมดาให้จิตนี้เคลื่อนไหวไปตามธรรมดาแล้วคอยดูว่าธรรมดาของมันเป็นยังไงเรียนธรรมะนี่เรียนเพื่อเข้าถึงความเป็นธรรมดานะเราจะเรียนรู้จนกระทั่งรู้ว่าธรรมดาของกายเป็นยังไงธรรมดาของจิตเป็นยังไงธรรมดาของกายก็เป็นไตรลักธรรมดาของจิตก็เป็นไตรักเรียนรู้จนกระทั่งจิตใจของเราเป็นธรรมดาธรรมดา ไม่ว่าเจอสภาวะอะไรจริตใจก็เป็นธรรมดาไม่หวือหวานะไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายนี่เรียนจกนกระทั่งใจเป็นธรรมดาอยู่กับโลกอย่างธรมธรมดาธรรมดาอยู่อย่างรู้ทันความเป็นธรรมดาของโลกแล้วและแล้วโลกมันจะไม่กัดเราแต่นี้เราชอบไปทําให้เหนือธรรมดาเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยอันแรกเลยดัดแปลงจิตใจให้ไม่เหมือนคนธรรมดาใจต้องทื่อๆเสร็จแล้วก็ต้องไปจ้องอยู่ที่กายแล้วให้กายมันไม่เหมือนคนธรรมดา จะกินข้าวก็กินไม่เหมือนคนธรรมดาจะเดินก็ไม่เหมือนคนธรรมดาจะนั่งจะนอนมันไม่เหมือนคนธรรมดาตลอดเราจะเรียนความเป็นธรรมดาแต่เราไปทําลายสิ่งที่เป็นธรรมดาไปทั้งหมดแหละแล้วจะเอาอะไรไปดูเราก็ได้แต่ไปเพ่งกายไปเพ่งใจนะซึ่งมันเหนือธรรมดามันนิ่งผิดความเป็นจริงได้อะไรได้ความสุขได้ความสงบแต่ไม่เห็นธรรมดามาซคืงธรรมดานะ มรรคือธรรมดาธรรมดาของกายเป็นยังไงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารรธรรมดาของจิตเป็นไงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารรเรียนไปจนกระทั่งรู้ว่าธรรมดาเป็นไงสิ่งที่พวกเราต้องการเราไม่ต้องการธรรมดานะเราต้องการเหนือธรรมดาเช่นต้องการสุขถาวรต้องการสงบถาวรต้องการดีถาวรอันนี้ไม่ธรรมดานะเพราะว่าไม่มีจริงไม่ใช่ของจริตําว่าถาวรในสังสารวัตรนี้ไม่มีหรอก แล้วเมื่อใจของเราเองเราไม่ได้ปรารถนาอะไรที่เป็นความจริงใจเราปรารถนาของไม่จริงมันก็ได้แต่ของหลอกๆถ้าใจเราต้องการรู้ความจริงของกายของใจธรรมดาของ เ, เป็นยังไงเรียนรู้ลงไปตามธรรมดารู้อย่างธรรมดานั่นแหละธรรมดาที่สุดดีที่สุดนะ <c oughs> ที่ทำอยู่ตอนนี้เคร่งมากเกินไปนะคุณทาี้เป็นเดนบ้านตรงกันบ้านนาะ คุณเปิดสามีคุณชีวิตเราคือะไรคุณพูดีขึ้นแล้วแล้วเป็นอะไรดีแล้วดิที่ทําอยู่ปีตองนั้นค่อยๆเรียนใจเข้าใจคำว่าธรรมดาที่หลวงพอบอกว่าเรียนเพื่อเห็นธรรมดาของกายของใจไม่ใช่ไปทําให้ผิดธรรมดาเรียนจนกระทั่งใจยอมรับความจริงว่าธรรมดาของกายของใจนี่แหละไม่เชี่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรา เรียนจนใจ ย, ยอมรับธรรมดาคือใจยอมรับธรรมะนั่นเองเราก็จะละความเห็นผิดอยากได้สิ่งที่เกินธรรมดาตลอดในนักปฏิบัติอยากได้สุขถาวรดีถาวรสงบถาวรไม่มีนะในสังสารวัตนี้ไม่มีจิงมีแต่ว่าทุกข์มากกับทุกข์น้อยทุ้งมากทุงน้อยแล้วก็นิ่งชั่วกราวอยางนี่มีมีแต่ของชั่วกราว เรียนจนกระทั่งใจจะยอมรับความจริงใจยอมรับความจริงนะเราจะอยู่กับมันได้อย่างมีความสงบสุขเราเห็นในโลกนี้ปั่นป่วนวุ่นวายทั้งโลกเลยนะเราอยู่อย่างมีความสงบสุขนะความปั่นป่วนวุ่นวายไม่ไม่เข้ามาถึงจิตถึงใจเลยเพราะใจนี้รู้แล้วว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้เลยเหมือนอย่างสมมติเรามีลูกเล็กคนนวมันเจเริญสุดขีดเลยเราพุ่กใจกับมันนะหาทางแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้ววันหนึ่งรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละทาอะไรมันไม่ได้นะ เรียกว่าตัดหางปล่อยวัดเออสบายใจได้นะมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ละคนมันเป็นของมันอย่างนี้แหละเป็นไปอย่างที่มันต้องเป็นเป็นไปตามกรรมี ใ, ใจสบายเลยหมดภาระเราเรียนจนมาหนึ่งหมดภาระนะดีขึ้เนเยอะเลยรู้สึกไหมจิตเบิกบานสภาวะอะไรกระปวดนะสัตว์แต่รู้สักว์แเห็นแล้วสภาวะจะสอนธรรมะคุณเองนะสภาวะทั้งหมดสอนธรรมะว่าอะไร แตเม่ไม่เที่ยงเป็นพุกไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้นะดีมากนะดีใครจะช่วยส่งไม่ต่อๆไปแล้วแต่เวรแต่กรรมรู้จะทายังไงเนาะรู้สึกวก็น่่สนนาด้วว่าคมากา่งก้วจะนานอหตาพูดติด ฝึอยู่เดิมมันไม่ใช่การฝึกสติจริงๆหรอกฝึกบังคับฝึกกําหนดทําไมหลงพ่อว่ากาหนดไม่ถูกเลยไหมกำหนดนี่จะเจ อ, เอด้วยโลภะเจอด้วยความอยากปฏิบัติพออยากปฏิบัติก็กําหนดเอาไว้มันก็จะนิ่งๆชื้นๆขึ้นมามันผิดไั้แต่เริ่มตรงที่อยากปฏิบัตินี่กิเลสนะต่ใจกํากหนดนี่คือการทำกรรมเกิดวิบากคือความหนักแน่นแข็งๆซึมๆชื้นๆขึ้นมา งั้นเป็การที่ใจของเราหนักแน่นแข็งชุนคือเป็นผลของกรรมผลของการที่เราไปกําหนดนั่นเองงตราบใดที่เราไม่ได้ ก, กาหนดมันก็ยังแข็งอยี่ย่างนั้นไเรายังทําเหตุของการที่จะต้องแข็งมี่ลองเราใหม่สติสมาธิปัญญาเราต้องปรับใหม่สติแต่เดิมเราเป็นสติกําหนดแท้จริงสติในพระไตรปิฎกไม่ได้แปลว่ากําหนดสติแปลว่าระลึกได้ความระลึกได้ สติไม่ได้กําหนดแล้วสติเกิดจากอะไรเกิดจากจิตจำสภาวะได้ไม่ใช่เกิดจากกําหนดให้เกิดขึ้นหลาคนที่ไม่กําหนดไปเรืยแล้วสติจะเกิดแล้วเราไม่เกิดนะผิดหลักของพระพิธรรมเลคือแต่ละวันนะไม่ต้องคิดเรื่องปฏิบัติได้ไหมโดยตองว่าปฏิบัติทิ้งไปเลิกเป็นนักปฏิบัติได้ไหมมาเปลี่ยนมาเป็นนักเรียน ถ้าเป็นนักเรียนนะมาเรียนรู้จิตใจของเราแต่ละวันไม่เหมือนกันจิตใจเราแต่ละเวลาไม่เหมือนกันมาเป็นนักเรียนศา ส, สนาพุทธเนี่ยตัวเนื้อแท้ของศาสนาพุทธคือปัญญาส ม, มาทิจิตนั่นเองคือตัวปัญญาที่เรียกว่าศาสนาพุทธจริทีคือตัวส ม, มาทิฏฐิตตัวปัญญานี้พระพุทธเจ้าสอนอะไรให้เราทําอะไรเพื่อให้เกิดปัญญาท่านสอนให้เราเรียนนะ เรียนนะชาวพุทธคือนักเรียนนะต้องตั้งหลักให้ถูกชาวพุทธไม่ใช่คือนักทำนะแต่เป็นนักเรียนขนาดพระโสดาบันยังเป็นนักเรียนเลยพระสกิธาคาพระอนาคาเป็นนักเรียนถึงเรียกว่าเสกบุคคลผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่หน้าที่ของเราคือการศึกษาการศึกษาปริยัตปฏิบัติปฏิเวทกอเรื่องการศึกษาการศึกษาเรื่องศีลชื่อว่าศีลศึกษา การปฏิบัติเรื่องจิตชื่อจิตตศึกษาการเจริญปัญญาชื่อปัญญาศึกษาศึกษาก็คือคำว่าศึกษานั่นเองคำเดียวกันภาษาบาลีใช้คำว่าศึกษาสันสกฤตกใช้คำว่าศึกษาคนไทยไปใช้ตามภาษาสัญญัตตลเพราะนหน้าที่ของพวกเราคือนักเรียนไม่ใช่นักทํางานอย่าหางานทํานะเราจะปฏิบัติจนเราเรียนไปเรื่อยจนวันหนึ่งว่างงานนะไม่ใช่คือนักทํางานนะ เพราะงเราหัดไปหัดรู้สภาวะทั้งหลายอย่างที่ก็เป็นอย่าเข้าไปแทรกแซงให้สภาวะเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้นะสภาวะเกิดก่อนอย่างตอนนี้ใจลอยแวบบ้บไปคิดทัาบไหมมันใจลอยไปก่อนแล้วพหลวงพ่อ บ, บอกมันจะนึกได้ต่อไปหลวงพ่อไม่ต้องบอกสติจะเกิดขึ้นเองสติจะเกิดเองเมื่อใจจําได้ว่ามีีิปคิดเป็นยังไงแอบไปคิดแบบอีกแล้วรู้สึกไหมนี่ยหัดอย่างนี้นะ ลืมทำ่าตํำหนดเสร็จแลลืมของเก่าก่อเชื่อกล่าวนะเราทาอย่างที่หลวงพ่อบอกดูงกเ้าับวอาดารูทอยมี ได้อย่างเราเห็นเนยอะเลยคือมันมีสองสามตัวนะสติสมาธิปัญญาถ้าเราทำวิปัสสนาเนี่ยมันจะรวบ ก, กันแต่ถ้าทําแค่ชำถะมันจะมีสติสมาธิปัญญาอ่อนๆเป็นปัญญาอีกชนิดหนึ่งสติอย่างเรารู้สติทําหน้าที่รู้สภาวะที่ปรากฏ สติรู้เป็นรู้ตัวสภาวะที่ปรากฏนะสมาธิคือความตั้งมั่นปัญญาคือความเข้าใจและหน้าที่เราอันแรกเลยรู้สภาวะอย่างเรารู้สภาวะเราเห็นไอ้ร่างกายนี้มันเคลื่อนไหวเรารู้สึกเนี่ยแต่ตรงที่ปัญญาเกิดเนี่ยมันจะเกิดความเข้าใจมันจะเข้าใจว่าไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาชั่วคราว ฮาฮ่าช่วยสูพระอาการปุจจาระรู้สึกไหมใจมันหนีไปตอนนี้เนี่ยหัดอย่างนี้นะรู้สภาวะนี่ม น, นมนแคบไหมเดี๋ยวผมเผาอากพูดประโยมก่นนะครับเผากาการู้สึกไหมจิตใจวอกแวกวอกแวกรู้สึกไหมหัดอย่างนี้นะหัดดูไปเวลาเรารู้สภาวะเนะี่ย ถ้ารู้กายเนี่ยเราสามารถรู้สภาวะลงปัจจุบันได้แต่ถ้ารู้จิตเนี่ยจะรู้ตามหลังรู้ตามหลังไม่มีทางลงปัจจุบันนะเพราะจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเมื่อจิตมันไปรู้เรื่องที่คิดเสแล้วสมมติมันไปรู้เรื่องที่คิดเราใจลอยไปคิดรู้เรื่องที่คิดอยู่ขนาดนั้นจะมารู้จิตไม่ได้มันก็มีจิตอีกดวงหนึ่งไปรู้ว่าเมื่อกี้มีจิตคิดอย่างนี้ใช้ได้ คือรู้จิตอะไรนะร้การู้จิตรู้กายไม่รู้จิตรู้จิตไม่รู้กายแต่รู้อะไรก็ได้เบื<ม>้องต้นเนี่ยาจะบอกว่าเราเป็นสายกายสายจิตหรือ บ, บางคนสายเวทนาอย่าสายโกล ง, งก้าเูเวทนาอะไรก็ได้แต่ว่าเมื่อดูกายถูกต้องแล้วสติจะเกิดดูเวทนาถูกต้องสติเกิดดูจิตถูกต้องสติจะเกิดเมื่อสติเกิดแล้วคราวนี้เลือกไม่ได้แล้วว่าสายไหนไม่มีสายละ บางครั้งสติรู้กายบางครั้งสติรู้จิตแล้วแต่ว่าอารมณ์ตัวใดจะเด่นไม่มีการเลือกแล้วดูไเ่อยางทีเอาไว้เป็าทีเปทใช้ได้แล้วยุตธรรมดีสดี่แล้วเาที่เราทะ เียีนเดอาาีดีดีไม่คิดมากไม่มากอ่ะดีแล้วแต่คิ่เยอะนะรู้ไปยิ่งเห็นเกิดดับได้เยอะเยอยิ่งดีเนี่ยตตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมยัดเหได้หัใจไหลไปแวบรู้สึกแวบรู้สึกไปด้วยถ้าได้นาทีหนึ่งสักยี่สิบครั้งอะไรเงินชักก้าวข้าละ ตาทีหนึ่งนี้เผลอสักยี่สิบครั้งนี่กำลังดีถ้าเผลอร้อยครั้งนี่เยอะไปหน่อยเดี๋ยวเบียดหัวมีหนึ่งบางทีมีเสียงนะบางทีว่ักวเออเราห้ามไม่ได้ด้วยมันจะคิดแต่คิดพูดมาถูกต้องแล้วตรงที่มันไปคิดว่าสภาวะนี้คืออะไรอันนั้นเราเสียเวลาถูกต้องแล้วแต่ห้ามไม่ได้นี้บางคนไม่แค่ว่าจิตมันไปคิดเองแล้วไปช่วยมันคิดสิ เนะช่นความโกรธเกิดขึ้นพาสติเราเริ่รู้ความโกรธเป็นนั่งบรรยายอ้อนี่โกรธนะนี่โกรธเาบบนาะออะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ช่วยคิตนะ ห, นหลายปีปคือตราบใดที่จิตยงังถูกปุทัศจากภาพงำได้ไม่เลิกบรรยายคนที่ไม่ถูกปุทัศจากภาพงำคือฆ่ารหัสนะ ถูกต้องแล้วแต่ว่าที่ถูกต้องกว่า น, นั้นอีกนะในขณะที่จเจริญนิัพสนานะั่นแหละจิตตั้งมั่นไม่ใช่ว่ามีจิตตั้งมั่นในขณะนี้ทําสมาธิจิตตั้งมั่นเสร็จ แ, แล้วก็ขณะนั้นถอดมาไปเจริญสติสมาธิอยู่ที่หนึ่งสติอยู่ที่หนึ่งอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะมาร์กมันแยกกันมาร์กต้องรวมเป็นที่เดียวกันนะมาร์กรวมเป็นหนึ่งลงปัจจุบัน ถ้ามาัดแยกนะเดี๋ยวตรงนี้มีสติตรงนี้มีสมาธิตรงนี้เจริญสัญญาอย่างนี้เรียกว่ามาัดมัดมีหลายมาัดมัดมีหนึ่งเท่านั้นนะนี่ส้มใช่ป่ะเดี๋ยวหลวงพ่อขอไปลาหน้าไปเจอหลวงพ่อยังยังไงแล้วภาวนาเป็นไงดีแล้วที่ทำอยู่ดีแล้วนะ ไม่สบธรรมอยู่ใช้ได้แลดูไปเรื่อยรู้สึกไหมความทุกข์มันหายไปเองรู้สึกไหมสติเกิดเองรู้สึกไหมสติเกิดขึ้นแล้วก็ทรงอยู่ไม่ได้ดับเห็นไหมกุศลและอกุศลมีแต่เกิดแล้วก็ดับหลวมไหมจิตเลือกไม่ได้ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลหอวมไหมจิตเลือกไม่ได้ว่าจะเป็น ส, หสนะมนสหรือเป็นทุกข์ดูไปนะจนเห็นเลยไม่มีเราเช่นเดียว ทั้งหมดเป็นพาดเป็นขันที่ทางานของเขาได้เองไม่มีเราดูไปนะนี่เป็นทางที่เราจะพ้นจากทุกได้แล้วก็คูัาท่าที่องแล้ะเดืนเป็่เดือนนปรมานีก็เ่วนปรอบรู้สึกว่ารเีมเปลนอะไรนะ คือเรื่อิดเปกอนเ่องทเรียกว่ามันเปนแบบวนเีคือรยนีั่วีเป็น่วไบารายแบบคือยู่ด้กนาิดเิัไเื่อยทีู่หกที่ทำอยู่กมันก็ไม่ดไม่หยุดนะไม่ได้ฝึกแค่เก่งไม่คิดนะ เราไม่ได้ฝึกเคยให้ผิดธรรมดาจำไว้นะจิตมีธรรมดาที่จะต้องรู้สึกนลกคิดจิตก็รู้สึกนึกคิดไปงแต่เราไม่หลงเท่านั้นเองแต่จะหลงหรือจะไม่หลงก็เลือกไม่ได้รู้สึกไหมอย่างตอนที่ฟังหลวงพ่อทีนี้ใจหนีไปเฉยๆเออหนีไปเรื่องอื่นเลยมันไปได้สารพัดก็ แ, แค่รู้ใช้ได้ที่ทําอยู่ใช้ได้แล้วดูไปเรื่อยๆเรื่ออดทนนิดหนึงนะฟังหลวงพ่อทนทนไปเถิด สองเดือนเดือนนะมคงมีอะไรเปลี่ยนแปลงให้ดูบ้างอ่ะมาทางหน่อยอะไรคว่าช่วงนี้ว่าวนไมได้่ทำไม่ด้ไม่ได้ดูตมู้ต่นี้ก็มี รู้โลปัจจุบันไปเรื่อยๆมันได้บ้างเจอบ้างเป็นธรรมดาจิตใจของเรามันยังไม่มั่นคงเดี๋ยวมันก็อยากปฏิบัติเดี๋ยวมันก็อยากไปทางโลกมันแบบเรายังเหยียบเรือสองแคแล้วอยู่กับโลกนี่เราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปวันหนึ่งเราก็เห็นเลยโลกไม่มีสาระอะไรรู้สึกไในบางครั้งก็เห็นโลกไม่มีสาระบางครั้งก็รู้สึกว่าปฏิบัตินี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวตอนนี้ขอเล่นก่อน ทั้งนี้คือเราตองการเป็นอย่างได้วยช่รู้โลกปัจจุบันไปด้วยอ่าแมนแมน่านนี้ก็ได้ครับือพื้นพื้นสนามเรียนปกถานะคะก็ยัอ่านที่ถ้ารู้บ้างรู้บ้างถกสี่ถ้ารู้ตลอดรีบมาปิดกานะเพียนนะ่รู้บ้างเจอบ้าง สังเกตบไหมจิตจะรู้สึกตัวหรือจิตกจะเผลอเลือกไม่ได้มังเป็นเองที่ฝึกอยู่ดีแล้วนะจิตมันตื่นแล้วนี่ะที่ใส่ไวนตาเนี่ยคือรอว่คือรองทั้งจาอว่าจะเดอนือ่มันจะไม่ไห่ต้องลองนะมันเื่นเอง แต่ว่าทํายังไงมันจะรู้สึกได้บ่อยมันรู้สึกได้บ่อยถ้าจิตจําสภาวะได้แม่นทําไมจิตถึงจะจําสภาวะได้แม่นต้องหัดดูเพราะฉะนั้นทุกวันนะเราอย่าละเลยการปฏิบัติในรูปแบบจําเป็นนะควรจะไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอย่าขี้เกียจ น, นะทุกวันเราก็ต้องทําตามรูปแบบแล้วก็หัดดูสภาวะไปเช่นเดินจงกรมไปใจลอยแวบรู้ทันแว่ใจลอย ใจเข้าไปเพ่งเท้าแล้วรู้วไปใจไปเพง่งหรือนั่งหัดนั่งบริกรรมพุโทโธก็ได้พุโทโธพุโทโธนะั้นใจแอบไปคิดเรื่องอื่นก็รู้ทันหนีแวบบรู้ทันแวบบรู้ทันฝึกซ้อมซ้อมรู้สภาวะาจิตจำสภาวะได้แม่นสติจะเกิดบ่อยถ้าทุกวันก่อนนอนเนี่ยแบ่งเวลาอย่างน้อยสิบนาทีนะก็สิบนาทีอย่าตั้งใจว่าต้องทำวันละห้าชั่วโมงเลยนะเยอะไป เดี๋ยวทำไม่ได้เราเป็นสารวาาจะทําไม่ได้แล้วใจฟอตั้งสัจจะว่าทุกวันต้องไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดืนเอนโยกลมอะไรอย่างนั้นแค่สิบนาทีสิบห้านาทนีแล้วทําให้ได้ไม่ละเลยทําให้ได้ทุกวันเนียจิตใจจะเข้มแข็งเราวเป็นการที่เราก่อนนอนเราหัดรู้สภาวะมากๆหรือตื่นเช้าเราหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆสติในชีวิตประจำวันจะเกิดขึ้นง่ายเป็นอีกไม่ได้ปลุกขึ้นมา สตินั้นระรึกได้รู้สึกไหมมีสภาวะทับเร็กขึ้นแล้วสติระรึกได้นี่นหนแหละสติคือความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากําหนดกําหนดเนี้จงใจไปกําหนดตรงนี้ผิดตรงนี้เลยนี่เราคือสติที่ไม่รู้สึกที่ไม่มงานเอนเดิที่ต้องทนี่นที่นี่ต้องคิดมีหน้าที่คิดต้องคิดนะเขาไม่ได้จ้างเราไปปฏิบัติเขาจ้างเราไปทํางาน น่ั้นเราก็ต้องทำงานมีแรงสุดแรงไม่มีสติไม่มีแต่จะมีสติมีสมาธิในการทำงาน mm hmm. แต่พอทำไปช่วงหนึ่งขี้เกียจสติจะเกิดเองจะเห็นว่าขี้เกียจพอขี้เกียจดับปั๊บจดจ่อกับงานต่อไป mm hmm. อส่งไปเรื่อยๆช่วยผู้สูงวัยจดใจดี้าดีที่รู้ทัน ไปหนึ่งงานถูกต้องครับเออดีที่รู้ทันไม่ได้เราไม่ได้ถ้าเรียนอะไรที่ทําัมีจิตลงหนึ่งเป็นคนเลือกที่หลงพ่อบอกเองเนี่ยมันชื่อโบสถ์ัฒนจิตเป็นคนเลือกนะไม่ใช่เราเลือกเรอดังั้นเบื้องต้นเนี่ยพวกเราหัด เดี๋ยวพวกเราบังคนหัดจากรูกายบางคนหัดจากรูจิตเนียพอสติตัวจริงเกิดแล้วเนี่ยเลือกไม่ได้แล้วนะว่าจะรูกายหรือรูจิตเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้จิตมันเป็นเองก็เลือกไม่ได้แไัถ้าเรนิ่มดีแล้วลนะ่ะตรงที่รู้ว่าเมื่อยตรงที่รู้ว่าไปเพ่งเมืยเริ่มใช้ได้แล้ว ก็ไม <ME> ่เห <laughs> ็นเป็นไรเลยสอนบ้างหลวงพ่อสอนมากเหลียรหน้ายมเออไม่เห็นจะเป็นไรเลยเห็นไหมถอนหายใจแล้วสบายใจรู้ว่าสบายใจไม่เห็นเป็นไรไม่เมือนคัือแรงจมนดี้ันดีดีมันแสดงความไม่เที่ยงนะมันสอนธรรมะเรานะ แต่เราอยากให้เที่ยงอยากเห็นไหมอยากกลับไปเนี่ยเห็นไหยพูดออกมาแต่ละคำนะฟ้องกิเลีอยูเห็นไหมอ่ะสงต่อตันไปนาะได้ทั้งสองหลังคนโอ้ดีอย่างนี้หลงพ่อชอบที่สุดคือนักปฏิบัติส่วนใหญ่แล้วไม่รู้ว่าตัวเองเก่งไว ทับเพ่งแต่ติดเพ่งไม่รู้ตัวเลยแา่ที่เราเห็นได้น่ะดีแล้วดีแล้วนเราไมด้วอกัจิตมันไ่นไหวรู้ว่ากําลังหวั่นไหวอยู่ก็เป็นปัจจุบันละไม่ต้องดีนะจิตวันไหวรู้ว่าหวั่นไหวใช้ได้ละไม่ต้องจิตสงตบนะเราไม่ได้ฝึกเอาสงบไม่ได้ฝึกเอาดีความสงบความสงบความดีหรือการต้องไปทําสมาธิ ถมาทานทำให้เป็นครั้งเป็นคราวเพื่อให้ใจได้พักผ่อนจิตใจเราสบายสงบสบายแล้วก็อเอามาันเจริญปัญญามาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจดีแล้วที่ทําอยู่พอใช้ได้ดีที่เห็นไงเห็นไหมมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงมันเคลื่อนไปเองรู้สึกยอ่าดีที่เห็นนะดีแล้วแล้วมาอีกนะแล้ววันหลังเขาจะสอนอีกแบบ เดี๋ยววันนี้เราเริ่มเก่งแล้วเราเห็นจิตที่เึ้นไปขึ้นมาวันนี้เราทั้งตื่นองมี่าเรอเออดีมาได้ทั้งบ้านกดีไม่เอาก็ะตกต่ำไปนะคนที่อยากได้มีเยอะเลยหลวงพอไม่รู้จะทำยังไงแล้วคือารแบบยนก็กตเองมเ่งทุกาถูกต้องแล้วธรรมดาจิตใจของคนทั้งหลายเนี่ยสุดโตง ความสุดโตมีสองด้านด้านหนึ่งปุ้งตามกิเลสไปวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดวิ่งไปหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจอันนี้เรียกว่าความสุขผลิการนิโยคความสุดโตด้านที่หนึ่งความสุดโตด้านที่สองคือบังคับกายบังคับใจข่มกายข่มใจเรียกอัตต์กิลมัฐานวโยคเพราะฉะนั้นความสุดโตมีสองด้านนี่ไม่มีด้านด้านที่สามนะมีก็แค่นั้นแหละแต่ว่าพอเรารู้ว่าเผลอไปมันจะรู้สึกตัวได้แวบหนึ่งเดี๋ยวก็เผลอใหม่ เรารู้สึกใหม่แต่ถ้าเพ่งเนี่ยถึงรู้ว่าเพ่งก็ไม่หายนะเพราะเพ่งมันไม่ใช่อกติผลอะไรมันเป็นคนดีเวลาเราเพง่งเราประกอบไว้นะเราได้เป็นคนดีเป็นเทว ด, ดาเป็นพลมแต่ไม่คนทุกหลอกไม่เกี่ยวกับมรรคผ น, นิพพานถ้าอยากนิพพานรู้สึกไหมจิตจะหนีบิดคิดมันไปของมันเองจิตจะเพง่งเราไม่ได้จงใจจะเพ่งนะมันเป็นเพ่งเอง ด, ดูไปเรื่อยเห็นมันทํางานได้เอง ถึงมันงรู้อะไรมันไม่ใช่ตัวเราหรอกถ้าเมื่อไรเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะ่ะละสักกายที่จิตได้ <c oughs> คือถ้าเราดูของเราได้แล้วก็ไม่ต้องให้หลวงพ่อบอกให้เป็นให้ดูเหรอยังก็ต้องมาบ่อยๆแต่หลวงพ่อจะทักได้ยังไงถึงสภาวานะ่ะคนมันเยอะหรือเกินอะ่ะนี่เผลอไปอีกแล้วรู้สึกไหมอัจเรียนสภาวะอันเดียวก็พอและ้ะใจเผลอไปใจไปคิดใจลอยไปสภาวะที่ใจไม่นหลงรู้อันเดียวเนี้ยพอเพราะว่าสภาวะที่ใจหลงไปเนี้ยเกิดบ่อยมันเกิดทั้งวันอ่ะ เดี๋ยวก็แวบบแวบบแวบบไปด้วยขณะนี้ยหลงเรียบร้อยแล้วรู้สึกไหมแล้วขณะนี้ก็เพ่งไว้ด้วยรู้สึกไหมเรือไปเพ่งไปหรือไปเพ่งไ ป, ไปเก่งสมัติหนึ่งยันะยงไม่เลิกเพ่งรู้สึกไหมยอยังบังคับตัวเองอ่นะเพ่งมาใส่หลวงพ่อเดี๋ยวหลวงพ่ตัวแข็งนะนะอ่ะตรงไปข้างหลังออื อย่างนี้นะถ้าเราภาวนาเราเดินจงกรมจิตมันไปกาะ อ, อยู่ที่เท้าแล้วเคเวลื่อนพอใจอยู่อย่างนี้นเป็นสมถะถ้าเราเดินจงกรมจิตไหลไปกาะที่เท้าเรารู้ว่าจิตมันอยู่ที่เท้าเป็นวิปัสสนา ใช่เพราะเรารู้ทันสภาวะแล้วสภาวะขณะนี้คือจิตไหลลงไปอยู่ที่ทา้า<น>หลวงพ่อไม่ได้เคยสอนให้วางจิตเลยนะเราไปฟังซีดีหลวงพ่อไม่มีคำว่าเอาจิตไปวางไว้ที่ไหนหลวงปู่ดูนงหลวงพ่อเคยไปถามท่านหลวงปู่ผมจะเอาจิตไปตั้งที่ไหนหลวงปู่บอกจิตไม่มีที่ตั้งจิตเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นแหละเนี่ยหลวงพ่อถึงบอกวันหลังมาเรียนหลวงพ่อจะสอนใหม่ วันนี้เราเห็นว่าจิตวิ่งไปวิ่งมาต่อไปเราจะเห็นเลยจิตเกิดที่ตาก็ดับที่ตาไม่วิ่งนะจิตเกิดที่ใจก็ดับที่ใจนี่มันเกิดตรงโน้นดับปับ๊บมาเกิดตรงนี้ปับ๊บเราเลยรู้สึกว่ามันวิ่งเหมือนดูกระตุ่น่ะเหมือนดูกระตุนะน ะ, นะจริตเกิดตรงนั้นดับตรงนั้นเกิดตรงนี้ดับตรงนี้อะไรเนะี่ย ไม่ใช่สมาสมาธิกับวิชฉาสมาธิจะต่างกันวิชฉาสมาธินี่ยจิตจะไหลเข้าไปแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์นะส่วนสัมมาสมาธิจิตจะตั้งมั่นในการรู้อารมณ์จิตอยู่นี่อารมณ์อยู่นี่จิตตั้งมั่นเป็นแค่คนดูแต่ถ้าไหลไปก็เ<ม>ป็นแน่กินเดียวนิดเดียว สมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจิตทุกๆดวงกระทั่งจิตอาคุณก็มีสมาธินะแต่สัมมาสมาธินี่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศกลเพราะนั้เพราะฉั้นใจที่จะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูหายากใจที่ถล่มลงไปรู้ไปดูแล้วไปนอนแช่อยู่ที่อารมณ์หางง่ายนี้ถ้าใจเราไหลไปอยู่ที่เท้าเรารู้ว่าไหลไปที่เท้าอย่างนี้ใช้ได้นะสังเกตไหมตรงนี้ไม่ใช่ใจเราแล้วนะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไปแล้ว ใจเราเป็นคนดูอยู่ทางนี้ดูอยู่ห่างๆแต่ระวังอย่าไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้นะห้ามไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้นะอย่าไว้นะหนะให้ดูเฉยๆดูแค่รู้สึกว่ามีคนหนึ่งเป็นคนดูแต่อย่าไปจ้องใส่คนดูมันนุ่มเฉยๆดูอย่ารู้สึกว่ามันไม่มีตึงเไม่เป็นไรมันรวมกันก็รู้ว่ารวมมันแยกกันก็รู้ว่าแยกรู้ไปเรื่อยๆดูเหมือนดูคนอื่นนะ ดูมันทำงานไปเหมือนเห็นคนอื่นใช้ได้ดีนะไปเรียนจากหลวงพ่อมันฟรีด้วยไปหาท่านอยู่กันท่านนานนะท่านใจดีพวกเราหลายคนไปแช่อยู่กับท่านนะท่านบอกช้ำ ม, มากครูบาอจารย์หลายองค์เลยเป็นโลกระเพาะปัสสาวะเษื่อมโยมไม่ไปทะ่สี่เนาะ ว่าปัจจุบันธรรมหมายถึงว่าสภาวะอะไรปรากฏต่อหน้าก็รู้ไปแต่สภาวะอารมณ์ที่ถูกรู้เมีย่งเดียวขณะใจรู้กายก็รู้กายขณะใจรู้ใจก็รู้ใจไม่ใช่ไม่ใช่จิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเพราะฉะนั้นขณะใดจิตเคยรู้ทางตาก็ไม่รู้ทางหูจมูกลิ้นกายใจขณะไปรู้เรื่องหูก็ไม่รู้ที่ตาขณะใจไปรู้ที่ใจก็ไม่รู้ที่ตาที่หูจมูกลิ้นกาย รู้อารมได้ครั้งไอย่างเดียวขณะที่รู้กายก็ไม่รู้ใจขณะรู้ใจไม่รู้กายขณะรู้กุศลก็ไม่มีอกุศลขณะที่รู้อกุศลแล้วก็ไม่มีกุศลขณะที่อกุศลเกิดก็ไม่มีกุศลมีอันเดียวแต่ว่าพออกุศลเกิดเราสติเกิดรู้ทันมนะตัวนี้เกิดอันใหม่นะไม่ใช่ตัวเดิมไม่ใช่ขณะเดียวกันนะคนละขณะกันอ่ะวันนีได้แค่นี้นะโยมที่เหลือ ถือว่าเป็นเวร เ, เป็นกรรมเนาะเป็นเวรเป็นกรรมร่วมกันกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็เจินปัญญานะไม่รู้จะช่วยยังไงเอาซีดีไปฟังนะแจกให้ฟรีๆแล้วภาคเพียร น, นะฟังแล้วหัดสังเกตสภาวะเอานะคือหลวงพ่อขอเวลาคุยกับพระเลยนะ